คอลัมน์ไดอารี่หมอดูหน้าที่สองช่วงเนี้ยมีแต่ลูกค้าเก่าที่แวะเวียนกลับมาให้ดูดวงให้อีกและทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกค้าที่เคยดูไปนั้นก็มีแต่คนที่มีกรรมเรื่องความรักและเคยโกหกคนอื่นไว้มาดูซึ่งเจอเหตุการณ์ซ้ำๆกันทั้งอาทิตย์ผู้หญิงคนแรกเคยดูไว้ให้ว่าชีวิตเขาเวลามีคนมาจีบมักจะเจอแต่สามีคนอื่นดังนั้น เวลาจะคบใครต้องเช็ค ก, ก่อนเสมอว่าโสดชัวร์ไหมถ้าไม่โสดให้เลิกทันทีและเธอก็บอกว่ามันช้าไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้พี่แต่งงานแล้วผู้ชายไปหยา ก, กับเมียมาแต่งงานกับพี่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วแต่ตอนเนี้ยเขาก็เลิกกับพี่ไปหาเมียเขาแล้วที่พี่มาหาพี่ถามว่าผู้ชายจะกลับมาหาพี่อีกไหมรู้สึกได้ว่าผู้ชายเจ้าชู้มากก็บอกว่า เขาจะกลับมาแต่ไม่เลิกกับเมียเขานะก็บอกไปว่าอย่ายุ่งเลยอย่ายไปสร้างการเพิ่มอีกเลยเขาไม่ใช่คู่พี่หรอกเดี๋ยวมันจะมีแต่เรื่องดวงยิ่งตกตกอยู่เดี๋ยวมันจะไม่จบง่ายๆตอนนั้นเธอเหมือนจะรับปากว่าค่าค่าไปอย่างนั้นเองแล้วเธอก็หายไปสองเดือนอาทิตย์ที่แล้วเธอติดต่อขอดูทางโทรศัพท์ด่วนพอดีพักทานข้าวก็เลยคุยได้เธอบอกว่า ที่พี่ทายไว้ว่าแฟนเก่าที่เป็นสามีคนอื่นที่พี่ไปแต่งงานด้วยและไดเลิกกันไปแล้วนะ่ะพี่เคยทายบอกว่าเขาจะกลับมานะแต่จะกลับมาในฐานะที่เป็นสามีคนอื่นอยู่จําได้ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอีกระหว่างจะมีเรื่องมีราวพี่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็กลับไปคบกับเขาอีกพีไม่เชื่อที่พีเตือนพี่ชอบดูไพ่ ย, ยิปซีเชื่อไพ่ ย, ยิปซีมากก่อนหน้านั้น พี่ก็ไปดูกับหมอดูประจำตัวพี่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคู่พี่หมอดูบอกว่ายืนยันว่าเป็นคู่ชัวซึ่งพี่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้เป็นคู่พี่รู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อพี่เมื่อวานพี่เพิ่งโดนเมียหลวงเ็าพาเพื่อนอีกสองคนบุกเข้ามาในบ้านพี่มาตบแล้วก็ซ้อมพี่หน้าบวมหมดเลยพี่ไม่กล้าไปหาพี่ว่าหน้าบวมอยู่เลยเนี่ย จะโทรมาปรึกษาว่าพี่ควรทำยังไงดีจะฟ้องดีไหมเพราะตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วถามไปว่าพี่ฟ้องด้วยความเจ็บใจหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นอย่าฟ้องเลยให้มันจบแค่นี้ดีกว่าและอย่าไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้อีกเลยให้อภัยคนที่เขามาทำร้ายไปดีกว่าก็ไปทำให้เขาเดือดร้อนไว้เหมือนกันและถ้าฟ้องด้วยความเจ็บใจเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้ เธอก็ใจอ่อนลงแล้วก็ตัดสินใจให้อภัยได้ส่วนเธอก็รู้สึกอับอายด้วยพี่คนเนี้ยในอดีตจะเป็นเหมือนเจ้าแม่มาอยู่แล้วเคยไปราวีคนอื่นมาเหมือนกันพระดวงของเธอจะเป็นดวงสังคมมรณะเคยเกะกะระรานชาวบ้านไว้ด้วยกรรมที่เธอทํามามันเลยทําให้ชาติหน้าเธอจะสวยเซ็กซี่และดูดุดุร้ายหน่อยตอนเนี้เธอก็เริ่มมาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมากขึ้นแล้วมนุษย์ กว่าจะคิดได้ต้องให้กรรมของตัวเองเนี่แหละเป็นผู้สั่งสอนจึงจะคิดได้ส่วนหนึ่งที่เธอกลับไปยุ่งกับสามีเพราะเชื่อไพ ย, ยิปซีว่าผู้ชายคนเนี้เป็นเนื้อคู่ของเธอทั้งที่มันผิดศีลด้วยแท้ๆความจริงไพ ย, ยิปซีจะขึ้นตามอารมณ์ปัจจุบันและมักจะขึ้นตามความอยากตามตัณหาของมนุษย์ขณะนั้นลองเวลาที่สบายๆไปดูไพ่จะโชว์แต่สว่างสว่างแต่ถ้าช่วงไหนทุกข์ ไปดูไพ่มีแต่ความมืดส่วนคนที่สองหน้าตาน่ารักวัยสามสิบกว่ า, วาซึ่งก็เคยดูไว้ให้เธอนานแล้วว่าเธอมีวิบากเรื่องความรักเคยนอกใจสามีไปมีชู้จากกรำตรงเนี้ยมักจะทำให้เธอไปรักคนที่เขาไม่รักเธอคนที่เขารักตัวเองก็จะไม่รักแต่และคนที่เธอถูกใจรู้สึกรักก็มักจะเป็นคนเจ้าชู้เสมอได้เตือนไว้ว่า ภายในสองสาปีเนียอย่าเพิ่งคบใครควรที่จะเป็นโสดไปก่อนให้เปลี่ยนตัวเองให้ชนะกรรมเรื่องความรักให้ได้ก่อนแล้วค่อยมีแฟนเพราะภายในปีสองปีเนี้ยกรรมจะจัดฉากแบบเดิมๆให้เจอแต่คนกระล่อนเจ้าชู้โกหกเก่งมากเตือนไปแล้วคิดว่าเธอต้องเอาชนะได้แน่เพราะดูเธอหนักแน่นมากชีวิตรอบข้างก็มีแต่เพื่อนที่ปฏิบัติธรรม ชวนกันไปทำบุญสร้างกุศลและเธอก็มีความรู้เรื่องบาปเรื่องบุญระดับหนึ่งแต่ความเป็นจริงมันช่างแตกต่างจริงๆวันนี้เธอกลับมาดูอีกเพราะอยากรู้ว่าชีวิตตัวเองมันจะเป็นอย่างไรต่อไปคำนวณดวงมันก็โชว์มาเลยอันดับแรกว่าดวงกำลังตกเหมือนครั้งที่แล้วที่เคยถ่ายไว้ซึ่งเป็นล็อกเวลาคิวกรรมข้อกรรมให้ผลพอดี จะส่งแฟนคนอื่นมาทดสอบใจและระวังจะเดือดร้อนถึงที่บ้านทำให้พ่อแม่ทุกใจรู้สึกว่าจะมีคนปองร้ายด้วยเธอก็สารภาพมาว่าตอนนี้ไปคบกับแฟนเก่าที่เขาเพิ่งแต่งงานไปจิตใจเธอขณะที่เล่ามาไม่ได้สำนึกผิดเท่าไหร่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่ได้ถามสักคำว่าจะทำอย่างไรดีที่จะเลิกให้ได้เราก็หวังดีไม่อยากทากรรมเพิ่มก็บอกไปว่า ผลการข้อการมไม่ได้เบานะมันเล่นงานตอนเป็นนี่แหละการผิดศีลจิตมันก็จะมืดเป็นสีดำมีแต่ความทุกข์นะผลของมันแรงกว่านั้นอีกเพราะเธอเองมีกรรมติดตัวมาอยู่แล้วอาจจะทำให้ต่อไปจะต้องไปเจอผู้ชายที่ติดเอิดได้ก็ยกตัวอย่างเพื่อนตัวเองที่เคยเป็นเมียน้อยคนอื่นมาแค่ครั้งเดียวเองและผู้ใหญ่รู้ก็เลยจับเลิกกันเพราะมันบาปเพื่อนไม่ได้สานึกผิดเลย ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเป็นบาปซึ่งดวงเพื่อนมีสิทธิผิดข้อกรรมแค่ครั้งเดียวเองจะต้องโดนกรรมเล่นงานแล้วซึ่งเพื่อนก็ได้มาเจอแฟนใหม่แต่งงานหลังจากนั้นก็มีลูกอายุห้าขวบแล้วแต่เมื่อเดือนสิงหา2549ก็เกิดเหตุการณ์คือสามีเพื่อนป่วยกระทันหันไม่สามารถรักษาได้เป็นมะเร็งที่สมองไม่สามารถรักษาหายได้เพราะผู้ป่วยติดเอส ด, ด้วยซึ่งก็ช็อกกันทั้งบ้าน เพราะสามีเพื่อนขณะแต่งงานแล้วซื่อสัตย์มากแต่เขาติดมาก่อนแต่งงานแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยเล่าให้เธอฟังไปใจมันก็ไม่กระเทือนเลยว่าสิ่งที่เธอทำมันบาปมากเลยก็ได้แต่แนะนำให้เลิอกออกมาเพราะมันผิดศีลให้ใจเด็ดเลิกคุยไปเลยเพราะยิ่งคุยกันยิ่งเลิกไม่ได้มันยิ่งผูกพันทางใจไปเรื่อยๆพอเขาโกหกอะไรก็จะเชื่อเขาหมดแยกอะไรไม่ได้เลย และให้ลองไปบวชชีพราหมณ์สักเจ็วันจะได้ช่วยทำให้ใจที่ว้าบหวามในทางผิดศีลเบาลงหรือพยายามอ่านหนังสือธรรมะกระชากใจหน่อยชวนเพื่อนๆไปทำบุญเรื่อยๆจะช่วยได้แต่เหมือนพูดไปเขาไม่อยากจะทำเลยความคิดในหัวเธอช่างสวนทางกับสิ่งที่บอกเลยเกินความคิดเธออยากจะถามด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้เป็นคู่เขาไหมแลแล้วเธอก็หลุดปากบอกว่า ผู้ชายเป็นคนดีมากเข้าใจตลอดว่าต้องการอะไรเขาโดนบังคับแต่งงานค่ะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับบ้านโน้นเลยอยู่คนละส่วนกันนั่งบอกทั้งออกไปตั้งนานคิดแล้วว่าต้องออกมารูปแบบเนี้ยมันอย่างที่เห็นเลยว่าจิตใจไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบาปเลยและช่วงเนี้ยมกักจะได้ยินบ่อยมากเลยคําที่ว่าผู้ชายเป็นคนดีมาก แม้แต่กับเพื่อนตัวเองเมื่อสองเดือนที่แล้วก็พูดแบบเนี้ทั้งที่เขาไปเป็นสามีคนอื่นแท้ๆและไม่ใช่แค่สองคนเนี้ยอีกหลายคนก็มักจะบอกเหมือนกันว่าเขาเป็นคนดีบอกเธอไปว่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาไม่ผิดศีลไม่เห็นแก่ตัวโดยที่ลากคนอื่นมาตกนรกพร้อมตัวเขาหรอกคนดีอ่ะเขาไม่ได้วัดกันแค่การกระทําที่ทําดีด้วยเขาวัดกันที่มีศีลมีธรรมหรือเปล่า เธอบอกมาอีกว่าเคยไปดูหมอกับหมอดูชื่อดังซึ่งหมอคนนั้นบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคู่ของเธอและสุดท้ายผู้ชายจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเธอก็มีสิทธิ์ในตัวผู้ชายคนนี้คนละครึ่งซึ่งก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผู้ชายคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะฐานะผู้หญิงเหนือกว่าสามารถช่วยเขาได้เขาเลิกกันไม่ได้หรอกเธอเงียบเหมือนไม่อยากเถียง แล้วก็ได้จ่ายตังค์แล้วก็ออกไปเลยไม่ถามอะไรอีกมนุษย์เราเมื่อทำบาปจนเคยชินชีวิตจะตกอยู่ท่ามกลางกระแสของบาปจะไม่รู้สึกว่าการกระทำที่ผิดศีลอยู่นั้นมันเป็นบาปเพราะอำนาจของความชินมันปกปิดไว้ต้องออกมาจากกระแสแห่งบาปก่อนจึงรู้สึกได้ว่าบาปทั้งสองคนมีกรรมคล้ายกันมาคือเคยไปโกหกคนอื่นโกหกแฟนตัวเองมาด้วย ทำให้ต้องไปปักใจเชื่อคำทำนายของหมอดูทั้งที่จะทำให้ผิดศีลการที่จะเชื่อคำทำนายทายทักของหมอดูขอให้ยึดศีลห้าไว้เป็นที่ตั้งก่อนว่าจะทำให้ผิดศีลหรือให้เชื่อแบบงมงายไร้เหตุผลหรือเปล่าหมอพี ที่เห็นอยู่อยากรไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหใครนกันสิ่งที่เธอ้ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทต้องทนดไรเหตุผลไโทษฟ้าโทษดาวนควจริงที่ป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 I'm h e o u t o n i g h